สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมย้อนบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบห้าถึงห้าสิบเอ็ดในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับพระเยซูชีวิตพระเยซูตอนที่สามสิบเอ็ดภายใต้หัวข้อย่อยคือสาวก ข, ของพระเยซูกลุ่มแรกครับสาวก ข, ของพระเยซูกลุ่มแรกนั้นมีอยู่ห้าคนนะครับอยู่ห้าคนทีนี้เรามาดูในบริบทหรือเบื้องหลังของ คนต่างๆเหล่านี้นะครับและเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เราจะพบว่าหลังจากที่พระเยซูเสด็จออกมาจากถิ่นทุรกันดาลพระเยซูก็เสด็จไปยังเบธานีครับใกล้แม่น้ำจอแดนก็ยังไปเจอยอนนะครับเดอะแบปติสหรือยอนผู้ให้แบปติสมานั้นก็ยังคงเทศนาให้ประชาชนกับใจยอนก็เลยแนะนำลูกศิษย์ของตัวเองสองคนครับก็คือแอนดรู และยอนนะครับเราจะพบว่ามีคนชื่อว่ายอนโผลขึ้นมาอีกแล้วนะครับนอกจากยอนเดบับบิสต์นั้นคนนี้เป็นยอนที่เป็นสาวกของยอนเดบับบิสต์และถูกยอนเดบับบิสต์แนะนำนะครับให้รู้จักรพระเยซูพี่อนๆครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นยอนเดบับบิสต์นั้นเป็นพยานาให้คนทั้งหลายได้ฟังถึงการรับปรศมาของพระเยซู ยอนก็ยังยืนยันว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและยอนเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเมสสโปดกหรือเป็นลูกแกะของพระเจ้าแสดงว่ายอนนั้นเป็นผู้พยากรครับเขารู้ว่าพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้พระองค์จะต้องเป็นพระเมสสโภดกหรือลูกแกะของพระเจ้าที่ต้องถูกนําไปฆ่าเพื่อถวายบูชาครับและในที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเสด็จขึ้นบนแมงเขน เที่พระองค์เองนั้นจะเป็นผู้ที่เป็นลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าจริงๆครับตามคําพยากลของอิสยาเพราะเขาเลยเห็นครับว่ายอนั้นเป็นผู้ที่ชี้เป็นผู้ที่เตรียมทางนะครับให้กับพระเยซูและมีหน้ำซ้ำท่านเองยังแนะนำสาวกกลุ่มแรกให้กับพระเยซูด้วยและสาวกกลุ่มแรกนี้มีห้าคนนะครับเราจะมาดูกันครับว่า สาวกกลุ่มแรกนั้นห้าคนนั้นเป็นใครกันบ้างในข้อที่สี่สิบครับสาวกที่เปียซูทรงเรียกกลุ่มแรกหนึ่งในสองคนก็คือแอนดรูว์แอนดรูนั้นเป็นชาวประมงนะครับมาจากเมืองคาเปอร์นาอูมบิดาของเขาชื่อว่าโยนาหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ายอนนะครับยอนแห่งเบไซาดาเราจะเห็นว่าคนที่ชื่อว่ายอนนั้นมีเยอะแยะนะครับพี่น้องก็อย่าขับสนนะครับยอนแห่งเบสซดาหรือ โยนาแห่งเบสไซดานั้นก็คือคุณพ่อของแอนดรูนั่นเองเบสไซดาเป็นเมืองชายฝั่งทะเลไกลลีลนะครับเมื่อท่านดูนะครับประวัติของพระเยซูแลเราจะพบว่าแอนดรูนั้นเป็นคนหนึ่งที่นําคนมาพบกับพระเยซูและคนที่เขานํามาพบกับพระเยซูนั้นก็คือพี่ชายของเขาเองชื่อว่าเปโตรนะครับสองคนแล้วนะครับแอนดรู Andrew เป็นสาวกหนึ่งในสองที่พระเยซูได้ส่งเรียกกลุ่มแรกเลยนะครับและแอนดูนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานแอนดูก็พาเปโตนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของตัวเองทีนี้สาวกอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสาวกของยอนเดอะแบปติสซึ่งยอนเดอะแบปติสแนะนำให้รู้จักพระเยซูนั้นก็คือชื่อยอนนะครับยอนเราจะพบว่ายอนนั้น ต่อมาเขาเป็นผู้เขียนพระกิติคุณเล่มที่สี่ครับตัวยนนี้มักจะไม่ค่อยดึงความสนใจนะครับจากเรื่องราวต่งางๆที่เขาบันทึกไปยังตัวเขาเองแสดงว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวเองนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ถ่อมใจมากผู้รู้ทางพระกัมภีร์หรือนักวิชาการนั้นก็ mm hmm. กล่าวว่าสาวกอีกคนหนึ่งของยอนหเดบับติสนี้ mm hmm. ก็คือเป็นยอนนะครับชื่อยอน ยอนผู้ที่เขียนประกิตคุณเล่มที่สีนะครับเป็นยอนบุตรเสบดีพอเราระบุว่ายอนนะครับต้องระบุชื่อพ่อด้วยนะครับก็คือยอนบุตรเสบดีและเป็นผู้ที่เขียนบันทึกประกิติคุณเล่มที่สีครอบครัวของยอนเองนั้นก็มาจากกะลีลีครับอาจจะเป็นเมืองเบสเซดาก็ได้เสบดีนะครับซึ่งเป็นพ่อของยอนนั้นเป็นชาวประมงแล้วก็เรารู้ครับเราคาดการว่าเป็นคนที่ รวบรวมปลานะครับไปส่งถึงกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นคนที่มีคนรู้จักสูงนะครับพี่น้องครับยอนมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่ายากบนะครับเราไม่รู้ว่าแอนดรูและยอนนั้นเป็นสาวกของยอนผู้ให้บัพติมาอยู่นานขนาดไหนแต่เนื่องจากเขาเป็นสาวกของยอนนะครับเดแบติสก็ต้องเชื่อในพระเมสสิยาก็คือเชื่อในพระเยซูอยู่แล้ว แล้วก็น่าจะได้รับบัพิศมาจากยอนแล้วนะครับและเมื่อยอนผู้ให้บัพติศมาชี้ให้คนทั้งสองดูพระเยซูและบอกกับคนทั้งสองนี้ว่าเป็นพระไม่สุโปรตรของพระเจ้าก็ปรากฏว่าคนสาวคนทั้งสองนี้ก็คือแอนดรูและยอนก็ติดตามพระเยซูไปทันทีพี่น้องครับคําว่าติดตามนี้หมายความว่าเริ่มเดินเคียงข้างหรือตามหลังพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหน ระเยซูลเหลียวหลังกลับมาครับตรัสถามเขาทั้งสองคนว่าท่านหาอะไรหรือขาทั้งสองคนทูนกลกับนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนพระองค์เจ้าพระอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเรียกเขาว่ามาดูเถอพะพี่น้อง ค, ครับแอนดรูแยอนจึงไปกับพระองค์และพักอยู่กับพระองค์โอกาสนั้นพิเศษมากครับเป็นโอกาสพิเศษสุดก็คือเป็นการทรงเรียก ครับขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มาถึงชีวิตของเขาทั้งสองก็คือแอนดรูยอนหลังจากนั้นนะครับหลายปีต่อมาครับหลายสิบปีต่อมาครับยอนเมื่อเริ่มเขียนบันทึกพระกิติคุณยอนตัวเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ในเหตุการณ์เขาจำชั่วโมงนั้นได้นะครับเขาจาชั่วโมงนั้นได้โดยไม่ลืมเลยนะครับชั่วโมงนั้นยังชัดเจนอยู่ในชีวิตของเขา เขาบันทึกอยู่ในพัตติทิคุณของเขาว่าเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายสี่โมงนครับเห็นความละเอียดอ่อนของยอนนะครับอาระทูดของเปียสูหรือสาวกของเปเยสูรุ่นแรกที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่เปเยสูทรงเรียกตัวเองได้อย่างชัดเจนและมีความหมายมากในข้อที่สี่สิบเอ็ดครับยอนเล่าว่าแอนดรูนั้นไปหาซีโมนพี่ชายของตัวเองและคาพูดของแอนดรูที่บอกกับซีโมน ทำให้เห็นความเชื่อของแอนดูเองนะครับว่าแอนดูพูดว่าไงครับแอนดูพูดว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วแอนดูก็เลยพาซีโมนมาเฝ้าพระเยซูพ ร, ระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรและตราสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งหมายความว่าไปโตรซีโมนนั้นเป็นชื่อที่พแพร่หลายมากในภาษา กรีนะครับเทียบกับซีเมโอนในภาษาฮีบรูแต่พระเยซูนั้นทรงรู้จักปุคลิกนิสัยความเป็นไปของซีโมนครับจึงทรงตั้งชื่อเขาเป็นภาษาอาราเมกว่าเคฟาสนะครับเคฟาสเคฟาสแปลว่าอะไรครับเคฟาสแปลว่าศิลาครับพระเยซูทรงทราบว่าวันหนึ่งเปโตรจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของทฤษฎีในยุคเริ่มต้น ที่นะครับในวันนี้เราเรียนรู้คนสองคนนะครับคนสองคนนี้ก็คือแอนดรูและก็ยอนเมื่อเขาพบกับพระเยซูเขาก็ไปเชิญชวนพี่ชายนะครับของตัวเองแอนดรู Andrew ไปเชิญชวนพี่ชายของตัวเองคือเปโตนะครับมารู้จักพระเยซูและพี่น้องรู้ไหมครับว่าต่อไปยอนก็จะไปเชิญชวนพี่น้องของตนมาลุจจ์กับพระเยซู ขอพระเจ้าทรงอวนนยพระพรนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเราควรที่จะเชิญชวนคนในบ้านของเราคนที่ยังไม่ได้รู้จักคับพระเยซูซึ่งเป็นเพื่อนของเราให้มารู้จักคับพระเยซูติดตามพระองค์ต่อไปอเมน